มุขข้อเบื้องต้นซึ่งจะอธิบายในวันนี้มีบาลีที่ท่านแสดงไว้ว่าดุรังขมังเยกจารังภาษารังคูหาสยังเยจิตตังสัญมตสันติโมคันติมาและบันธนาความว่า ยิ่งตั้งเอเอกะกับการายัยอยางคู่หาอยังจิตอเ น, น้เที่ยวไปคนเดียวไม่มีคู่ในที่ไกลอาศายยางคูหาแต่อย่างที่อยู่คือคู่หาที่ทานอนพักเที่คู่หาได้เก็บตัวของเรา เ ย, ยจิตตังสะยเมตสันติถ้าหากผู้ใดมาสำรวมจิตได้โมคันติมาละบันธนาจะพ้นจากบ่วงของมาพูดง่ายๆก็หมายเท่อ่ะยิดอันเดียวไม่ใช่จิตมากยิตอันเดียวคนเดียวเที่ยวไปในที่ไกล เมื่อดจิตเนี่ยเทีย่ยวไปมันก็ต้องไปกระทบกระเทือนจิงต่างอาการที่ไปกระทบหรือไปประสบอารมณ์ต่างจะจิตใส่ผูกในอารมณ์ต่างอันนั้นเรียกเราไป่ผูกเพื่อถูกบ่วงของมาเรเยจิตต่างสนิเมศสันติหาก็ใช้สํารวชจิตได้จะเปจะพ้นเครื่องผูกของมาร คือมารในเครื่องผูกของมารที่ว่า น, นั่นน่ะคือมันไม่ไปยึดไปเกาะอย่างเดียวก็คนจากเครื่องผูกของมาได้อธิบายฟังแล้วว่าจิตเป็นของอันเดียวกล้องก็เต้งเลยไมจิตใช่ไจิตอันเดียวที่อธิบายฟังอยู่เรื่อยๆไม่จิตอันเดียวแต่เนื่อนี่มันเที่ยวไปคนเดียวแล้วจะประสบอารมณ์เข้า ไปเกาะแล้วไปติดอ่ในอารมณ์นะั้นเรียกว่าไปถูกบวมของมารมันคำว่ามารมาในกะิ่งความกว้างีิเลสมาน์วัตถุม า, ถถมาทีิเรสมาน์ได้เกิดจิตคุณพ่อมัวเมาในเรื่องความรักความชังเรื่องความเกียดความโกรธอใจและไม่พอใจ ระบาดทุกอย่างถ้าห า, าก็อาจิตออกจากหนึ่งแล้วไปเกี่ยวข้องผวกพันในสิ่งต่างๆอารมณ์ต่างๆมันต้องเป็นเครื่องเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสกิเลสมานขันธาฌานคือตัวของเราขันธ์หานี่ยรูปเวทนาทัายาทางขัน เป็นมารเหมือนกันมารในหมายความว่าเบียดเบียนมาโลท่านแสดงเึื่อธิบายว่าการเบียดเบียนคือทำให้ต้องตัวขั้นห้าเนี่ยที่เรามาพิจารณาอยู่เนี่ยเพื่อให้เห็นตามเป็นจริงแล้วจะได้ปลอดวาง วิจิตจะไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวจึงจะไม่ไปถูกเครื่องผูกของมาทีลราพิจารณเพราะขั้นห้าตอนนี้เวลาเจ็บป่วยไม่อยูุดสบายมีคนมีการอะไรเกิดขึ้นจึงรูปขัดมันทำให้ใจระหวั่นไหวเราไม่เห็นตามจริ ง, รงเมื่อหวั่นไหวก็แสดงเึงการเศร้าหมอง เมตนานั้นทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เป็นการเต่าหมองโดยกลบคนเราเข้าใจว่าสุขไม่เต่าหมองไม่จริงคือไม่เห็นเดินแส ง, ง่งความเพลินสนุกเฮฮาธรพัดทุกอย่างเข้าใจว่าเป็นใจของสายล่าลืมความเนจริงคือมันติดมั่นอยู่ในความสนุกเฮฮานั่นแหละทางใจไม่ของ ความหัวเราะเฮฮาแล้วเพลิดเพลินสนุกนะั้นคือความหมาไม่ใช่ของบริสุทธิ์คือความหาามาผมหลงหลงกับสิ่งที่ประสบพบเห็นนะนะเพียงใครล่าเริงบังเถืองหัวเราะเฮฮาแค่ที่จริงก็คือทาใจให้เศร้าดีคนไปเห็นแต่ด้านทุกข์ไม่พอจังว่าเป็นทีเรียและเป็นคนเศร้า เวทนายังได้เจียเป็นมา น, น, นั่นเองไม่ให้จิตปกติพูดกันง่ายเดียวะ่ะมันเป็นเครื่องเบียเดเบียนจิตไม่ให้ปกติสังญยญายิ่งแล้ว็น จ, จำอารมณ์ต่งตางๆเป็นอดีตอนาคตก็ตามที่เราไปจำจดจำหมายหมันนั่นนี่อะไร เราต้องคันเราจำคนจำวัตถุจำสิ่งจำของลึที่จำอารมณ์ที่เราเคยคล้องใจทั้งดีทั้งชั่วมาแล้วแต่ก่อนเกา่าเราลึกได้สัญญาเลยจดจำไม้ยมันแม่อดีที่ตัวงานมาแล้วก็ไม่ลืมเนี่กว่าสัญญาอันนั้นเป็นที่เลดโดยเฉพาะเลยทีเดียวไม่มี พ่อแม่ครับที่เรียนนั้นกลงเลยทีเดียวถ้าสัญญาจําในสิ่งใหนแล้วเศราหมองทั้งดีและชั่วทั้งขานก็ในทํานองเดียวกันการปรุงนั่นน่ะม่ความไม่ปกติแล้วก็ปรุงจิต ไ, ไม่เป็นหนึ่งอะไรเขปรุงปรุงคิดนึกลึกกองตรงต่างอะไรซะเล อะไเนาะอะไรเนาะสา ร, นะ ร, รภาทุกอย่างแต่มันจะเกิดจะมีเพื่อมาเป็นจริ ง, รงไม่เป็นจริงเนาะสองเป็นสองไหมสองป็นสอ ง, ไ ม, อ ง, สองไม่ได้เนาะไม่ได้นะเนาะเสี้ยงเอาได้ต่างแต่ในสังขารก็เป็นมานม่ให้จิตปกติยินงาคือความรู้สึกก็เป็นมานเป็นมานในตัวเองรู้สึกเฉย มันเป็นสภาพของวิญญาณที่รู้สึกรู้สึกตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอย่างไม่สียไหนรู้สึกแล้วมันวั น, นไหวเอออธิบายฟังทีเดียวว่ากระทบเมื่อกดครบทเรียกว่ า, ร, ร, ร, วารู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วก็ส่งเมื่อรู้สึกแล้วก็มีเสียงเพื่อมาส่งส่งไปตามอาการ พะความรู้สึกเกิดขึนั่นเรียกว่ากระเทือนคือมันแสดงอาการออกมาจึงเรียกว่ากระเทือนมันไม่อยู่คงที่วันไหวนี่ก็ทรงาจไปตามอาการทรงายแรือวุ่นวายแล้วเดือดร้อนเดือดร้อนในหมายทั้งเรื่องทรง ถ้าหากทุกเล่าคนไม่เคยเข้าใจว่าเป็นการเดือดร้อนมันร้อนต่างกันร้อนไฟที่ลุกโรลงขึ้นหนึ่งร้อนอันหนึ่งร้อนแดกกับร้อนอีกอย่างร้อนอีกอย่างหนึ่งร้อนอบเอา้าไม่ไม่ใช่ไฟแต่อากาศมันอบเอา้าร้อนอีกอย่างหนึ่งร้อนในน้ำน้าเดือดน้ำพุ่งเรื่อของหยิน จะกลายเป็นของร้อนคำว่าร้อนในที่นีย้ยินยานคือความรู้สึกรู้สึกขึ้นมาแล้วมันจะเถือนแล้วก็หวั่นไหวสงสัยแล้วก็มาการที่พอใจทอบใจมันก็ร้อนร้อนเหมือนกับน้ำน้ำเดือดน้ำคุกหรือร้อนเหมือนกับอากาศอบอ้าว ไม่เคยร้อนอย่างไปยลูกตรงนะทั้งหานี่ยยังเรียกว่ามารแล้วค้านี้มาระลึกถึงเรื่องคําว่ามานมารเป็นเครื่องเบียเดเบียนของจิตใจของจิดดูสิครันคนเราตั้งแต่เกิดถึงมันตายมันมีอาการกระทบมีอาการกระเคื่องมีอาการวันไหวอยู่ตลอดกาลเวลา มันต้องไหนแหลหาความสุขในโลกนี้ตกลงเลยเราเป็นเหยื่อของมานมานผูกมัดลัดลึงลไว้ตลอดเวล า, าการที่มานผูกมัดลัดลึงไว้ตลอดการเวลาการก็ไม่ผิดอะไร ก, ก็พวกนักโทษอยู่ในเรือนจํานักโทษในเรือนจําเขาใส่กวนเขาถีกวนไว ปลูกไว้ซึ่งแม้จะมีถึ่งแม้ว่าจะอยู่ตามลำพังละแต่ก็อยู่ในข้อของังอยู่ในคุ้มขงังและยังมีหนายังมีเครื่องปลูกอีกครับคือโศ่หรือกวนมนุษย์คนเรานั่นมันดีตรงไหนมี่ชราตรงไหนตั้งแต่เกิดจกนกระทั่งวันตายตายได้ก็ยังไม่พ้นจากเรื่องนี้ ตกลงจิงว่าเป็นนักโทษมันดีเท่าไหน่กันใครก็ลืมตัวโดยมากมักลืมตัวว่าตนเกิดมาอิสระมิเป็นไทยแกตัวเองมันไม่ใช่เป็นไทยมันมีอิสระหรืออยู่แต่อำนาจบังคับของมาร้นแท้ๆพระพุทธเจ้ายังเทศสอนในบทที่ว่านี่นะเยจิตตังสัญเมตกันติ โมฆันติมาและบัญ น, นาถ้าหากว่าใครดวงสํารวงจิตใจได้จึงจะพ้นจากบวงของมาเครื่องผูกของมันหากมีปัญหาถามขึ้นมาเพราะว่ามันจะค้นได้ไงแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในขันน้าใจขันจะพ้นได้ไหมจะพ้นตรงไหนขันนี้ไว้ด้มันไม่พ้นไม่ได้แล้ว มันพ้นได้ตรงใจจัมรวงเร่องสังหารท่านจึงมาให้ตุจัมรวงที่กายจัมรวมกายไม่พอท่านให้จัมรวมใจเยเยียร์ิดต่างสัญญวณสันตรวงใจนย่า ง, งนี้ไ ม, ม่ใช่จัรวงกายคิอใจไม่ให้หลงเข้าไปยึดในเวทนาสัญญาในรูปเวทนาสัญญา้การั้ถ้าไปยึดมนเกิดทุกข์ จึงได้มีบทปัจจูปทานขันธ์ฐานลุกขาทุกจะว่ามากมายสัตว์อะไรสตางค์สะดุ้งดวงมาเลยขันนี่ยโดยเฉพาะคือการตัวเนี้ยเข้าไปยึดขันตัวเนี้ยจึงค่อยเป็นทุกข์อันนี้เราไปแก้ทุกข์แก้ภายนอกแก้ไม่ถูกไม่อดถ้าเราไปโกรธจะไม่ชอบใจ คำพูดของคนอื่นเนี่ยเขาพูดก็พูดยิ่ง น, นลวลเราจึงเพ่อจหมดกิเลสไม่ไหรือเขาทําให้พอพอใจแสดงปฏิกทริยาให้พอพอใจให้เราไม่พอใจจะให้เขาดีแล้วเร า, าจึงเพืหมดกิเลสมันไม่ได้จะแก้คนอื่นไ ม, มันต้องแก้ ใ, ใจที่เราจะแก้ใจเราจรึงให้มีอุบายเงียบหายได้าน ไม่พอใจนตัวเราเพราะไม่พอใจสิ่งอื่นนอกจากตัวของเราหรืคนอื่นนอกจากเราเกลียดเหมือนกันโกรธเหมือนกันไม่พอใจในคนนั้นแ่ะหรือในสิ่งนั้นเ่ะจึงเกลียดจึงโกรธเหตุนั้นท่านยังสอนในพิจารณากลับพวงเงินขาดสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ชอบใจมันมีดีอยู่ในนั้นเหมือนกัน ให้เห็นไม่คมดีจเราไม่พอใจในคนใจแล้วเกลียดในคนใจโกรธในคนใจเราจะต้องให้เห็นโทษในความเกลียดความโกรธด้วยความไม่ดีของคนนั้นเพราไม่ดีเราอย่าทําอย่าดีอย่าทําอย่างนั้นอย่าไปเกลียดครับเคื่อมาเป็นกระจกส่องเงาเราเลยเป็นคุณพันให้เห็นในงานอะไเลยกลายถึงคุณไม่ได้เจ้ายังสอนในพิจารณถึงเรื่องกรรมของสัตว์ ทั้งหลายมีกรรมไม่เหมือนกันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันคนที่สร้างกรรมมาไเหมือนกันค่อยๆมีนิสัยวาสนาบุญบารมีหรือปัญญาสติเป็นยาเสพติดเลยง่วงเง่าก็คิดแยบกันไม่เหมือนกันแล้วครานี้เราไปมุจงแอยากจะให้มันเหมือนเราทั้งหมดมันเต็มไปไม่ได้แล้วพุทธเจ้าท่านก็หมดมันทาง ขนาดเป็นมหากรุณาพระไถยเราได้ขมดทนทางแต่เราเนีย่ยฝากฝืนธรรมชาติธรรมชาติทุสิ่งทุองอย่างอนี่ยอย่ากให้เป็นอย่างเราต้องการเราฝากเข้ามาอยากให้เหมือนกับเราตั้งใจนะแล้วนั่นแล้วเราลืมคิดถึงตัวขงเราแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังทําสิ่งใดยังไม่ถูกใจของเราเอย่างนี้ แล้วคนอื่นที่ไหนมันจะเหมือ น, นถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็สบายนักวิาาจารปลอดโดยสว่างวิธีแก้วิธีแก้ที่จะไม่ให้เข้าไปยึดไปถือมนมีหลายเรื่องหลายอย่างทักวิจารณ์ท่านมีอุบายหลายอย่างเราเห็นของไม่ดีกลับมาเป็นของดีขึ้นมันยังจะดีใจมันยังจะสบายใจเราขึ้นมา อย่างเคยอธิบายไงทุกทุกขอ้อมูลที่ใครชอบสักคนดนึ่แค่ทุกข์นั่นล่ะกลับกลายเป็นอุบายให้เราได้ทำคุณงามความดีแค่งั้นมันเพียนเพราะธรรมะหาเรี่องชี้ไม้พอปากพอท้องครูบาอาจารย์นักพูดใหญ่เลอพูดเหนือนาบาังคับบัญชาของเราตราว่าตรอขานเราเพราะเราทำผิดทำพลาดเราจะได้แก้ตัว บางครั้งบางคาวเราทำดีอยู่แต่ว่าครูบาอาจารย์รือผู้ปกครองเราหรือผู้เหนือขอังค้าบัญชาเราแต่ว่าเราขานะว่า่ดยประการต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของคนนั้น่ังหาของเราทำถูกแต่คนนั้นไม่ถูกมั่นก็เป็นเครื่องวัดอีกเหมือนกันเราอย่าเอามาเป็นเรื่องของเรา เป็นเรื่องของคนนั่นถ้าเราพิจารณาได้ยิ่งจะไปแก้สิแก้มานแก้ขันถมานใช่ไหมมานมีหลายเรื่องเราสารวมใจเช่ก่อนยังค่อยจะเห็นเรื่องทั้งหลายเรื่องนี้ถ้าสารวมใจไม่อยู่แค้มานไม่ได้ในพ้นจากเครื่อมผูกปูกของมันกลายอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยได้เกิดมาแล้วกันเหมือนอย่างเงี้ เป็นไปตามเรื่องตามสภาพของมันเมื่อเข้าใจานั้นเราไม่เข้าไปยึดไปถือเป็นการแก้บ่วงของมาในตัวาหากเราทำถูกตอนนี้เรียกว่าเราสร้างคุณงามความดีถึงไม่อยู่ในคุ้มขังแลวชัางบางทีอาจจะไม่โทษสิบปีอะไจะไปถึง1ิบปีห้าปีหรือแปดีอาจจะอัอให้โทษได้ ถ้าเราไม่ทำอย่างว่านี่นี้จะฮาลุนคืว่าทำคิดให้นักเขากว่าจะเดึกคิดแล้วไมยอมไม่ยอมยอแก่นี้จะจะผูกมัดลักให้แน่นกับทุกทีคือว่าไปแก้ด้วยคนอื่นไม่แก่ตรงนี้นั่นนหละผูกมัดแน่นกับทุกทีอย่ามาเคยไปเห็นเขา ดักตัวแล้วถูกขาหมูถูกหมูหมูธรรมดามันถูกแล้วมันถูกขามันก็ดิน่นมันเลยแกบมันกลัวตายยิ่งดินด่นไร้ก็ยิ่งจะลัดต่อลัดถ้าจนกระทั่งหนังขาดเนื้อขาดเอ็นขาดจนกระทั่งถึงกระดูกนั่นเนองที่แกไม่ถูกมันต้องไปน คือเราดินโลนทุกคนก็ดินโลนอยากจะให้เหมือน้นความประสงค์ของตนแล้วไม่แก้ตนเองจะแก้คนอื่นเรียกว่าดินลนแล้ยิ่งรัทธ์ตัวเขาอีกถ้าหากว่าเราแก้ตัวของเราแล้วรู้เท่าเข้าใจพิจารณาโดยใจพิจิวาเราก็สงบเกียบไปคนอื่นจะไม่สงบก็เเรื่องของคนอื่นในทางพุทธศาสนาพระองค์สอนให้แก้ตัวเรื่องของใครองไหน ถ้าหากว่าเข้าใจโดยในนี้แล้วทุกคนฟาการแก้ตนของตนแล้วอยู่หมู่มา ก, กสบายหมู่น้อยก็สบายอยู่ที่ไหนเยือกเยินทั้งนั้นในทางพุทธศาสนาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกมากที่สุดแต่คนไม่เข้าใจหลักทำคำสองพุทธเจ้าและปฏิบัติไม่ถูกเอาเด่นคิดถิแล้วมาหน้าของตนไม่ยอมฟังคสงธจและไม่ยอมถอมตน เพื่อไม่ยอมรับสารภาพความจริงถ้ายอมรับสารภาพความจริงจะแสดงความจริงออกมาแล้วไม่มีการ แ, แวงสงสัยเหมือนกันคนที่ผิดพลาดไปแล้วนะไม่ยอมแสดงความผิดของตนให้ปรากฏขึ้นมาและไม่ยอมรับความผิดนะั้นอู้นักตรงนี้หนักมากนม่มีวันที่จะแก้ไลยอย่างที่เรามาหัดอบรมจิต คิดเจรนาสมาถานใช่วิาย์ที่เจรนาจิตางอธิบายเมื่อเข้าทั้งจิตแก้ทังจิต้ตอะไรไม่ต้องไปแก้คนอื่นจิตมันก็สงบเมื่อจิตสงบมันก็เห็นสิ่งที่มันไม่สงบเกิดจากความสงบแล้วก็ไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้ที่มันไม่สมันไม่สงบเพราะมันก็ทบมันพุ่งออกไปจากของความสงบที่เคยอธิบายว้เสมอว่ามันออกไปจากหนึ่งที่ว่า เราทุกข์ออกไปจากความสงนี่แหละเป็นผิดแก่ตรงทีนไม่ถึงหบครั้ น, นี้มันแก่ตรงนั้นไม่ได้มันตั้งหาออกไปที่หาคนคัว่วออกไปภายนอกอีกมนุษย์สัตว์ทั้งหลายสร้างบุญกรรมมาไม่เหมือนกันปฏิปัญญา ก, ก็ไม่เหมือนกันตรามคิดก็เห็นก็เหมือนกันอย่างแบบเชรีแล้วไปชาติปัจจัยมันเป็นทางดีเหมือนกันใครอยากพูดพูดใครอยากว่าใครอยากทำอะไรทำไป ถ้ามีสิทธจะดีตามหน้าที่ในทางธรรมก็เหมือนกันธรรมประดัเรื่องมันมีอยู่มิสัยแใจพอเรื่งบุญว่าชนะวัตถุมีทักษะมันไ้การแสดงไปตามเรื่องแค่เราไม่เอามาพื้นเรื่องของเราเราทําอย่างนี้เราไม่เอาเรื่องของเราเขาก็แม่ เ, เรื่องของเราเราก็มเาเรื่องของสาวมันสบายมีที่ผู้เข้าถึงธรรมแล้วแต่ว่าผู้ที่ยังเข้ามาถึงธรรม ใช้สิทเฉรีเกินขอบเขตไม่อยู่ในขอบเเหตุนั้นจึนงค่อยมีกฎบังคับไปอีกทีนว่ากฎหมายจึงค่อยจะอยู่ท่านนั้นไม่อยู่มันเลยอเอรเหตุเพียงแต่เลยกลายเป็นมันเลยเถิดคิดเฉรีย่ยเพียงแต่ในทางมัเกิดความเดือนร้อนวุ่นว้ยทั้นตนและคนอื่นนั่นแหละมันจึงมาเป็นธรรมถ้าใช้สิตธเฉรีดังทางธรรมแล้วนะ ไม่เข้าไปยึดไปถืออะไรทั้งหมดแล้วถ้าจะทํำอะไรกันต่ อ, อไรกันเรื่องเราจะทำแก้ตัวของเราไม่มีการจะเท่ากับเถื่อนเถื่อนนอนเสียหายเกิดอะไรหมดเราก็ไม่เสียหายตัวหนึ่งก็ไม่เสียหายในนั้นธรรมะถึงเรื่องของดีมีค่าประโยชน์จะโลกมากอย่างนี้เราพากันสนใจเรื่องธรรมะไม่สมัยที่พวกเด็กๆหนุ่งๆก็พากันสนใจเรื่องธรรมะมา ก, มาก แต่ว่ามีกี่คนที่จะเข้าถึงธรรมะตรงนั้นเท่แต่ถึงจะเข้าถึงไม่ถึงก็ยังวานน้นนาเป็นการดีที่ดุดีก็ไม่สนใจใช่ไหมสาสนาที่เปอิสลามทขาสอนเงนเขายกโทษเรามันดีเขายกโทษว่าเราไม่ดีนั่นดีนะ เขาจะได้สนใจตัวของเราแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้จักของดีของเราล่ะถ้าเขาสนใจดีก็เขาไม่สนใจสินัพย์เมื่อเขาได้สนใจเขจะรู้เราได้ไงเพราะเขายกโทษเขาก็มองเราแง่ไม่ดีต่อไปเขากันที่เจรณาถึงเรื่องแง่ไม่ดีของเอามองแง่แง่ไม่ดีขอเราเขาสนใจในเราแล้ว ต่อไปคือรูปคองพีะมีศาสนานีก่ก็ดีเหมือนกันเาะสอนอกันดีเหมือนกันเสดิจเตียนน่ยบาทหลวงเขาสอนให้อดให้ทนให้โตต่อไปแค่จะว่าให้เงียบให้วัดให้ทนกระแนนทำนองเดียววันนี้ยอาจารย์ศ า, า, ส, าสนาทั้งหลายเราเนี่ย ไม่ใช่เขาไปเห็นตามเป็นจริงแต่เขามีการมุ่งที่จะให้คนสนใจในตัวของเขาไม่ใช่เขาเห็นสภาพเป็นจริงอย่างที่ว่านี้ในทางศาสนาอภุดให้เห็นสภาพการเกิดตองว่าคนเรานั้นเป็นโลกที่ไม่ชอบอยางเพื่อมันคว่าฝืนเรื่องเรื่องเลย กิเลสของคนเรามันไม่อยากจะให้ค่มหิงตามโบราณภาษาโบราณท่างเรียกว่ามารไม่จีบกันจะทําดีทําชอบไม่ได้มันหาเรื่องจีบกันแต่ว่าความดีที่เราพห้ยามชำระสารให้หมดจด ก, กันนั้นเป็นเหตุนำมาเป็นผลสุขสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหาสุขทั้งที่สุดได้สุขทั้งที่จริงแล้วนท่านไม่ได้เรียกว่าสุข ท่านเรียกต่ว่าระงับทุกขึ้นดับทุกข์หรือชวทุกข์นั้นท่านไม่เห็นเลยละท่านสอนในที่จะงาทุกทุกข์นั้นของคนสมนติไม่ใช่ว่าละละตรงจิตที่เป็นส ม, มุทัยที่เด็ดตัวโลกภัยํำระโดยยาระงับโดยยาธรรมโอสถ เมื่อเข้าไปชำระด้วยยาคตธรรมโอสถแล้วโลกหายเฉยเฉยไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้ถ้าเรียกว่าสุขมันก็นยังมีทุกข์อยู่ไม่ได้เรียกวันโลกค่อยทำใจให้สงบค่อยพอ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลงให้ค่อยๆลงจนจับจิตได้ คืออารมณหายใจท่าน่อนลงผ่อนมืนก่ก็อารมณ์ตามมันก็ค่อยพอ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นแหะอาการที่มันผ่อนลงนะกำหนดลงแน่วแน่ลง น, นั่นแหละคําว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลงอมผ่อนก็ผ่อนตาม ยากคมเจ็บคมปวดต่างๆเนียขั้นลมหายใจอดทนจุดกั้นลมหายใจอดออกเลยผ่ อ, อนลองผ่อนลงจุดกั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างนั้นแต่เราก็จับอาอการนั้น อย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้พวกมันจะสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นอนะ่ะตัวนั้นอนะ่ะผู้รู้เลนะยังมีอยู่ผู้รู้น่ะสำคัญกว่าสิ่งอื่นหมด จึนค่อยจับกบพูรูนั้นคนเดียวชิ่งอื่นมันก็วางไปหมดกำหนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบเอาละถ้ากันรีบรเ่งประกอบกับเพียนภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไง ต้องรีบเร่เรงทำอย่าใหมันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดเพราะเาทันตลาดคือทันกาดเองรีบเจเียวรีบหายอย่าให้มันสายเดา บ, บัวจะแหะวี่ยเข้ามาตัวของเรามันแหวี่ยงเพราะตะวัน รีบเขียวจะรีบหา ย, ยาใช่ยามันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอุมมาสงควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยามวัฉันล่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานก็มีที่เเวลานี่พเามีกลิ่นหอมบานอยู่กักกบี ชีวิตเนี่ยมีเครื่องหมายในขนาดที่ว่ามันกาลังบานเี่ยคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ยังเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่เรียกว่าบานแล้ว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 ิใจเรือของกวดแกวงไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็าไม่เศรา่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่เศรา้าจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำรรมสมาธิควาน่ารักษาความสงบ อ, อบรมไห้เขาถึง เอกาตาลงสมลงอภิัยลงเอกาตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมอดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายปนะเปง่ามอารมณ์ความมดเรื่อง